ท่านแรกถามมาดังนี้นะครับเมื่อนั่งสมาธิจนได้ความสงบนิ่งไม่ต้องกลับมาสนใจลมหายใจให้ประคองความนิ่งไว้ขอคําแนะนําวิธีการประคองความนิ่งให้นานเพื่อสามารถประคองได้แล้วต้องทําอย่างไรเจ้าค่ะจะสามารถประคองความนิ่งได้นานก็คือต้องทำํทำทําเยอะ ดันั้นในขณะที่เราถึงจุดที่นิ่งเขาเรียกมันมีนิ่งหลา ย, ลายระดับนิ่งแบบรวดเร็วนิ่งแบบก้าวกระโดดสมดุลของจิตสมดุลของลมสมดุลของกายเนี่ยมันจะไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวระดับของความมั่นคงในการทรงตัวบนความเรียบระงับเนี่ยจะกระชอบมันจะถูกกระชากออก จากความที่ว่าคนฉลาดในการวางอารมณ์ที่วางอารมณ์ได้เร็ววางได้บางทําให้ลมบางพอลมบางแล้วก็ความรู้สึกนิ่งจะชัดเร็วขึ้นมาพอความรู้สึกนิ่งชัดเร็วกายเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกายยังละเอียดเข้ามาสมดุลกับลมและจิตไม่ทันเท่ากับว่ามันละเอียดอยู่2 ส, ส่วนคือจิตกับลมแต่กายไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ถูก ร่างกายเนี่ยนำพาการดึงลมให้หยาบและยาวออกมาอันนี้คือถูกกายดึงลมออกให้หลุดจากการทรงนี้หลุดเพราะว่ากายไม่ละเอียดกับหลุดเพราะว่าถูกกวนด้วยสัญญาหรือถ้อยคำสัญญาในอารมณ์อย่างเนี้ยสำหรับคนที่เข้ากันได้อย่างลงตัวไปแล้วคือ ก, กายก็ระงับดี จิตก็ระ ง, งับดีลมก็ระ ง, งับดีสมดุลกันดีการค้างอยู่ในอารมณ์เนี่ยขณะที่กำลังแช่สงบนิ่งอยู่นย mm hmm. บนความนิ่งที่ชัดทำให้ดึงความสนใจไม่ให้ไปสนใจลม mm hmm. ไม่ให้สนใจอะไรแต่จะเกาะแน่นอยู่ที่ความนิ่งแต่พอความนิ่งเริ่มคลายความแน่นน่ยจิตมันจะมีธรรมชาติตรวจตรา mm hmm. พอเขาตรวจตราปั๊บเนี่ยการตรวจตราจะดึงสัญญา ตอนนี้ลมหายตอนนี้ระงับตอนนี้ พ, พอดึงสัญญาทุกสัญญาจะมีถ้อยคําคอยคําว่าลมหยุดจําได้ว่าลมหยุดมันก็มีคําว่าลมหยุดจําได้ว่านิ่งมันก็มีคําว่านิ่งนั้นพอมีคําของสัญญาตรงเนี้จิตพอตรวจตราโดยไม่ตั้งใจก็คือทิ้งการเกาะความนิ่งไปเกาะการตรวจตราพอทิ้งการเกาะความนิ่งมาตรวจตราการตรวจตาจะมีคําของสัญญาว่านิ่งวา anyway. Så, ่ววาสงบ ว่าลมหายอะไรอย่างนี้พอมีคําของสัญญาจิตก็จะมาเกาะถอยคำํำพอเกาะถอยคํานี้ถอยมาลึกเลยทีนี้เกาะถ้อยคําแล้วจะขยับจากการจําเป็นคิดแล้วทีนี้พอคิดก็หลุดละอันนี้คือหลุดจากอารมณ์เลยนี่คือการหลุดเพราะถูกสัญญาวิตกเนี่ยนําพาให้หลุดนี้โดยมากจะหลุดจะหลุดจากอารมณ์เพราะการตรวจตราเพราะว่า พอเริ่มแนบแน่นมันจะเริ่มเพลินในความแนบแน่นและไม่ใส่ใจการจตรวจแต่เป็นการแช่ทรงบนความนิ่งตรงนั้นคือการทรงอยู่ไม่กระเพื่อมไม่กระชอกไม่หลุดแต่พอความนิ่งนั้นคลายออกระดับการตรวจจะเกิดโดยไม่ตั้งใจลหลยีเนี่ยนะพอตรวจปุ๊บสัญญามาเลยสัญญามาถ้อยคำสัญญาจะนำพาให้คิดพอคิดและหล่นจากอารมณ์แน่นแล้วนี่คือการหลุด นั้นบุคคลที่ต้องการทรงเนี่ยถ้าชำนาญในการทรงเนี่ยเขาจะรู้ทันก่อนการตรวจที่จะประคองการแนบแน่นที่จะแช่ริบเรีย บ, ยบถ้าจิตมีความคิดอะไรหรือสัญญาอะไรขึ้นเขาจะสักว่าไม่ใส่ใจพอไม่ใส่ใจก็จะดึงกลับไปกอดแน่นในอารมณ์ใหม่นี่คือการทรงในอารมณ์ความแน่นก็จะไม่หลุดนี่คือรูปแบบการทรงนะทีนี้คนที่จะ ชำนาญในการทรงคนนั้นต้องทําบ่อยๆการทรงได้นานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับรากฐานการมาสู่ความนิ่งด้วยว่ า, าปูได้แน่นขนาดไหนเหมือนฐานฐานสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถ้าฐานแน่นสิ่งที่ก่อขึ้นไปเนี่ยมันก็มั่นคงนะคนที่เข้าสมาธิอย่างช้าๆจนไปถึงจุดนิ่งเนี่ยความนิ่งจะชา้าความนิ่งที่เกิดจากการเข้าช้าๆจะละเอียดและมั่นคง การทรงตัวบนความนิ่งระงับเนี่ยจะเป็นการทรงตัวที่นานแต่ถ้าเข้าเข้าในระดับที่เร็วกว่านั้ น, นระดับความละเอียดจะน้อยกว่าการถอยคลายจะเกิดได้เร็วกว่าเน้นขึ้นอยู่กับความความชํานาญในการเข้าต้องการเข้าเร็วก็อย่างหนึ่งต้องการเข้าแบบให้มั่นคงเขาจะเข้าไปทีละจังหวะชา้ชาๆชา้ชาๆจึงดึงความละเอียดเกิดขึ้นได้ ความละเอียดทั้งกายจิตและลมเมื่อสมดุลกันในมิติที่กว้างเนี่ยจะทำให้การแชร่ในการทรงตัวอยู่ได้นานและถ้าฉลาดในการรู้ทันสัญญาอีกก็หลุดยากอีกก็ทรงตัวได้นานคือสัญญามาก็ไม่สนอันนี้คือลักษณะการทรงสมาธิ แต่คนจะทำได้เก่งคนนั้นต้องทำเยอะๆทาเยอะๆแล้วก็ไปเรียนรู้การประคองเอาเองเรียนรู้การไม่ใส่ใจต่อสัญญาเรียนรู้การทำใจที่จะไม่ตรวจราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกจึงจะทำได้คำถามที่สองท่านเดิมครับเมื่อนั่งสมาธิจนเข้าลึกแล้วโยมออกจากสมาธิโยมจะเวียนหัวมึนทั้งวันเป็นมาสองครั้งแล้วค่ะ ต้องออกอย่างไรเจ้าค่ะออกมาละเวียนหัวนี่คือถ้าลึกจริงๆเนี่ยในการออกจากสมาธิที่ลึก mm hmm. คำว่าลึกหมายถึงระดับการทรงตัวบนความลึกนั้นอะลมเขาจะระ ง, งับละเอียดจนแทบไม่มีลมเลยละนั่นคือระดับที่เรียกว่าลึกนะจนถึงระดับที่เรียกว่าแทบไม่หายใจเลยนั่นคือลึก และการทรงในระดับที่ไม่หายใจหรือระนับการหายใจได้ขนาดนั้นด้วยภาะวะที่ทรงอยู่แล้วก็ไม่มึนหัวอะไรเนี่ยนั่นหมายถึงการทรงที่มั่นคงสมดุลทีนนี้ถ้าทรงระดับละเอียดขนาดนั้นในขณะที่ทรงอยู่ตอนนั่งสมาธิมันไม่มึนอะไรพอออกมาจากสมาธิเนี่ยความละเอียดก็จะยังคงอยู่แต่อาจจะละเอียดน้อยกว่าตอนนั่งระนับจริงๆความละเอียดของลมจะหย่อนลงมา นะจะหย่อนลงมาที่ลมยังละเอียดเมื่อลมยังละเอียดความรู้สึกนิ่งก็จะยังคงอยู่ด้วยออกมาจะยังรู้สึกนิ่งยังรู้สึกอิ่มยังรู้สึกเรียบยังสงบอยู่นี่คือการออกจากสมาธิที่ลึกทีนี้ถ้าออกจากสมาธิที่ลึกแล้วทรงบนความที่ลมละเอียดแต่เราไปฝืนกิริยาให้มันเร็วเช่นพูดเยอะหรือเดินเร็วเคลื่อนไหวเร็วเนี่ย ลมน้อยแต่กายขยับเร็วเนี่ยมันไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลกันลมมันไม่พอกับกายพอลมไม่พอกับกายเนี่ยเวียนหัวได้เลยอันนี้นคือว่าออกมาจากลมละเอียดเนี่ยยังเคลื่อนตัวเร็วไม่ได้ต้องช้าก่อนถ้าเร็วเลยเนี่ยการที่เคลื่อนขยับอะไรเร็วก็ตามของกายเนี่ยมันต้องใช้ลมแรงแต่ลมเรายังค้างบนความละเอียดยอาการอย่างนั้นทำให้มึนได้มึนได้เพราะลมละเอียด กับประมาณที่ว่าตอนเข้าของเราเนี่ยมันยังไม่สมดุลดีพอนะการปรับของกายและจิตและลมมันยังไม่สมดุลดีพอนะการออกมาอย่างกระทันหันเนี่ยก็อาจจะทำให้มึนได้คือยังไม่สมดุลดีพอมันก็เกิดได้สองรูปแบบคำถามท่านต่อไปครับพระอาจารย์จิตมีลักษณะเคลื่อนไหวตลอดใช่ไหมคะ่ะจิตมีธรรมชาติที่เกิดดับตลอดเวลา สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเป็นตัวใหม่ตลอดไม่ใช่ตัวเก่าเลยไอ้ น, นี่คือตอบตามทฤษฎีและก็ตอบตามความเป็นจริงว่ามันคืออย่างนั้นนั่นแหละแต่สภาพหน้าตาของการเกิดดับและเปลี่ยนตัวใหม่ตลอดเวลาวิจารวิจาใช้คําว่าดวงใหม่เกิดขึ้นดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นดวงเก่าดับไปตลอดวันตลอดคืนไอ้อ น, นี่คือธรรมชาติของมัน ทีนี้การเกิดขึ้นดับไปอย่างรวดเร็วมันบนความเร็วจึงให้การก่อภาวะของการทรงตัวอยู่เหมือนไม่เคยหายขาดไปจากการทรงตัวนี่คือการเกิดดับที่เร็วมากของจิตเหมือนทันทีที่ดับนะตัวใหม่ขึ้นมาซ้อนทับทันทีนะพอซ้อนทับดับตัวใหม่ซ้อนทับทันทีมันจึงมีระยะซ้อนทับที่เชื่อมติดไม่มีขาดจากกัน พอเชื่อมติดไม่มีขาดจากกันมันจึงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการทรงตัวอยู่ของ<ม>สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่ทรงอยู่เป็นกลุ่มพลังงานเลยไม่เคยดับสลายไม่เคยขาดช่วงการทรงตัว<ม>แต่การทรงตัวอยู่ของพลังงานเหล่านี้ในการทรงตัวมันเป็นการเกิดดับเปลี่ยนถ่ายอยู่ในตัวมันเองตลอดเวลา<ม>แต่เป็นการเกิดดับที่เร็วจนสร้างการทรงตัวของพลังการคงอยู่ ของสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นการคงอยู่ของตัวใหม่ตลอดเวลาแต่มันไม่เคยหายขาดไปจากการทรงอยู่นั้นการทรงอยู่อย่างเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งที่คงค้างในรูปพลังงานที่เป็นที่ตกค้างทั้งอนุัยทั้งความเคยชินทั้งสัญชตาตญาณทั้งบารมีทุกอย่างค้างอยู่ในรูปพลังงานที่ไม่เคยสลายตัวไอ้นี้คือการเกิดดับซึ่งเป็นจิตใหม่ตลอด แต่การเกิดดับที่เร็วจนไม่มีระยะขาดจึงสร้างพลังการทรงตัวนี่คือเรื่องของขันคำถามที่สองท่านเดิมครับอาจารย์ในกายมีฐานของจิตหรือเปล่าเจ้าข้าในกายมีฐานของจิตหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากําหนดกําหนดจับตรงไหนเป็นที่เป็นที่ผูกใจเอาไว้เช่นถ้ากําหนดอยู่กับปลายจมูกเนี่ยการกําหนดอยู่ที่ปลายจมูกจิตจะมุ่งมาเกาะที่ปลายจมูก พอมุ่งมาเกาะสังเกตที่ปลายจมูกการรวมความนิ่งมั่นคงจะมารวมอยู่ตรงปลายจมูกพอมารวมอยู่ตรงปลายจมูกบางคนเนี่ยรู้สึกจมูกมันหนักหน้ามันตึงเลยนี่คือการรวมมาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเป็นนั่งตั้งใจเกาะที่หน้าอกสังเกตเกาะตรงหน้าอกจิตก็จะมารวมตรงหน้าอกพอรวมตรงหน้าอกจะรู้สึกหนักตึงหน่วงตรงหน้าอกไปเกาะตรงท้องจิตก็ไปรวมตรงท้องไปเกาะตรงไหนการรวมตัวในการเกาะความหนาแน่น ของกระแสจะเกิดขึ้นในที่ตรงนั้นซึ่งตรงนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นกระแสสมาธิจะไปรวมหนาแน่นตรงจิตที่เกาะพอหนาแน่นตรงไหนตรงนั้นจะก่อความรู้สึกเหมือนเป็นจุดเหมือนเป็นความแน่นหนาเหมือนเป็นที่ตั้งเลยและความหนาแน่นของสมาธิที่ไปวางอยู่บางคนเนี่ยพอจิตหนาแน่นเกาะตรงไหนแน่นๆจนนิ่งแล้วเนี่ยบางคนความนิ่งเนี่ยแปลรูปเป็นนิมิตได้ด้วยความนิ่งที่รวมเป็นพลังนิ่งเนี่ยบางบางคนเนี่ย แปลงสภาพเป็นมโนภาพให้คนนั้นด้วยอาจจะเห็นเป็นดวงสว่างได้เลย<ม>บางคนความนิ่งเกิดก็เป็นแค่จุดนิ่งบางคนความนิ่งเกิดก็กเป็นแค่จุดตรึงหน่วงเท่านั้นแต่บางคนพอจุดนิ่งเกิดจุดนิ่งมันแปลเป็นมนโนภาพด้วยนี้สำหรับคนบางคน<ม>ก็เลยคิดว่ามันเป็นที่ตั้งของจิตเป็น<ม>อยู่กับว่าเขาไปเกาะตรงไหน<ม>การรวมหยุดน่วงนิ่งจะไปตั้งแช่อยู่ตรงนั้น<ม>นี้ธรรมดา กำลังตั้งต่อไปครับพระอาชารขอพระราชาช่วยยกตัวอย่างการสร้างความรู้ว่าไม่ใช่เราอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้แนะวิธีไว้ว่าถ้าจะพบว่ามันไม่มีเราได้เนี่ยบุคคลนั้นต้องผ่านวันคืนที่ต้องไปตามสังเกตพิจารณาและคน้นคว้าตามให้เรียนรู้ว่าเจ้ารูปมีธรรมชาติอย่างไรก่อนรูปนะ่ยร่างกายที่ถึงพร้อมด้วยประสาทหน้าตาก็เป็นยังไง แล้วคนคว้าว่าเขาเกิดจากอะไรนะพุทธเจ้าบอกเกิดจากดินน้ําไฟลมแล้วก็ดูที่มันเกิดจากดินน้ําไฟลมอย่างไรพอเห็นว่าเกิดจากดินน้ําไฟลมอย่างไรเราก็สามารถรู้ได้ว่าดินเน่ยมันใช่ของเราไหมน้ําไฟลมใช่เราไหมไม่ใช่มันสลายแยกไปหรือมันรวมเป็นร่างกายมันก็คือดินน้ําไฟลมนั้นการมองเห็นว่าเป็นแต่ดินน้ําไฟลมล้วนๆเนี่ยก็คือเห็นว่ามันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆจะถือเอาเป็นเรา ไปอยู่ในดินเอาดินเป็นของเราก็ไม่ได้ดินก็คือธรรมชาติน้ำไฟลมก็ธรรมชาตินี่คือการคนา้คนค ว, ว้าค้นคาว่ารูปมันไม่ใช่เราอย่างไรเราจะรู้วมไม่ใช่เราอย่างไรต้องสาวลึกว่ามันประกอบจากอะไรนะและมันมันมีความเป็นธาตุธรรมชาติอย่างไรไอ้ น, นี่คือลักษณะของการดูเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันทางง่ายๆก็คืออิงตำราหน่อย เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากผัสสะนะนี่คือคําตอบแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเกิดจากผัสสะยังไงก็ต้องไปหาว่าเวทนามีธรรมชาติอย่างไรเหมือนการค้นคว้าเรื่องรูปเลยเวทนาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีธรรมชาติอย่างไรเกิดจากผัสสะได้อย่างไรไอนี้คือพุทธเจ้าบอกเกิดจากผัสสะนี้ต้องไปหาว่าเกิดจากผัสสะได้อย่างไรนะถ้าเห็นว่าเกิดได้อย่างไรก็จะรู้ได้ว่ามันไม่ใช่เราอย่างไร นี่คือมุมหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารท่านบอกเกิดจากพัสสัวิญญาณขันมีเพราะมีรูปเวทนาสัญญาสังขานีน่คือโครงของปริยัติการศึกษาไปแนวเนี้ยจะค้นพบว่าไม่มีเราอยู่ในขันห้าอย่างไรนี่คือการค้นคว้าธรรมชาติของขันเหตุเกิดขึ้นแห่งขันภาวะที่ดับสนิทไปแห่งขันว่ากลไกเขาเป็นยังไงคําว่าค้นคว้าต้องผสมผสานตั้งแต่การตามดูของจริง ผสมการพิจารณาเพื่อกรองความเข้าใจคำว่าดูเนี่ยก็ไม่ใช่ดูเฉยๆแต่เป็นดูด้วยทีท่าของการสังเกตและเก็บข้อมูลดูการทํางานแล้วสังเกตว่าทาํางานยังไงสังเกตว่าหน้าตาเป็นยังไงและผสมการทําความเข้าใจอันนี้ก็ท่านก็จะให้ไปค้นคว้าให้รู้จักธรรมชาติของขันห้าเหตุเกิดว่าเกิดจากอะไรเกิดอย่างไรและจะดับสนิทไปยังไง อันนี้คือข้อ1กลับไปข้อหนึ่งตามดูการเกิดดับล้วนสังเกตธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นนะถ้าจะสังเกตคือสังเกตจับทีละตัวจับทีละตัวเพราะทุกสิ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวเลยแต่ถ้าจะเรียนรู้เนี่ยเขาจะสังเกตทีละตัวถ้าสังเกตเจ้าเวทนาก็ดูแต่ด้านที่เป็นเวทนาขันย์อย่างเดียวเลย ทีนี้จะรู้จักเวทนาขันว่าเกิดอย่างไรต้องรู้จักให้ได้ก่อนว่านี้คือรูปขันหน้าตาแบบนี้นะเวทนาขันหน้าตาไปแบบนี้นะสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันหน้าตาไปแบบนี้นะข้อแรกต้องรู้จักหน้าตาก่อนเขาเรียวกว่ารู้จักธรรมชาติมันก่อนนี่คือการรู้ขั้งที่หนึ่งแต่มารู้จักหน้าตาแล้วทีนี้ตามค้นคว้าธรรมชาติของสิ่งนั้นว่าก่อตัวขึ้นมาจากอะไร และจะดับสนิบไปได้อย่างไรการตามเห็นส่วนนี้จะพบความรู้เรื่องความว่างจากเรานี่มุมหนึ่งกับเห็นเกิดแล้วดับพอรู้จักหน้าตานี้ตามสังเกตการก่อตัวแล้วดับไปจะเห็นว่าเขาเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเอาคืนไม่ได้เลยความรู้สึกเมื่อกี้เนะ่ะหายไปได้อยังเอาคืนมาได้ไหะคําพูดกอนอาจารย์การปรุงเนี่ยปรุงเป็นคําพูดเนี่ยเอาคําเมื่อกี้คืนมาได้ไหม ไม่ได้มันดับพราะพูดคําใหม่คําเก่าหายไปคําใหม่คําเก่าหายไปมือไม้เหมือนกันขยับมือไอ้เมื่อกีนะ้เอาคืนมาได้ไหมมันดับไปแล้วของใหม่ตลอดแต่จิตมันเร็วนะนี้การตามดูความเกิดดับเนี้ต้องดูด้วยความใจเย็นและทีละตัวบางครั้งย้อนมองอ่านกิริยาที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็รู้ว่าทุกอย่างเมื่อกี้หมดแล้วของใหม่เกิดตลอดของใหม่เกิดตลอดอยู่อย่างเงี้ยจเหนว่าจิตที่เกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับของใหม่เกิดของเก่าดับของใหม่เกิดของเก่าดับอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปอยู่ในมันได้ไหมถ้าเราอยู่ในมันเราก็ต้องทำาไมกับมันไปด้วยดับไปด้วยกับมันนั้นการเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนเห็นวิถีธรรมชาติที่ก่อตัวเาดับไปอีกแล้วก่อตัวดับไปอีกแล้วบังคับก็ไม่อยู่จะเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ได้เมื่อบังคับก็ไม่ได้จะไปอยู่ในมันก็ไม่ได้เนี่ย จะถือมาเป็นของเราได้ไหมไม่ได้อีกนั้นในมุมหนึ่งของการตามเห็นความเกิดดับให้ฉลาดเนี่ยก็สามารถรู้ได้ว่าขันทั้งห้าไม่ใช่เราและไม่มีเราอยู่ในขันกับมุมหนึ่งคือตามค้นคว้าหาธรรมชาติเหตุเกิดขึ้นแห่งขันว่าก่อขึ้นมาด้วยกลไกลอย่างไรและจะดับสนิทไปเพราะอะไรในการค้นคว้าอย่างนี้ก็จะพบว่า ขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าซึ่งมีอยู่สองมุมของการจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราคำถามท่านต่อไปครับอาจารย์อาจารย์ท่านอื่นชอบให้ยอยู่กับผู้รู้หรือรู้เช่นเดียวกับขณะที่เรากำลังทากาละควรจะอยู่กับรู้จะดีกว่าอยู่กับลมหายใจหรือไม่เจ้าค่ะจริงๆอยู่กับรู้นะ่ยมันไม่มีหรอก พระ ร, ร, าารดดู้ต้องอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้รู้ไม่สามารถอยู่โดดๆได้ต้องอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่อยู่กับลมมันก็จะมีรู้ลมอยู่กับการดูจิตมันก็มีรู้จิต อ, อยู่กับความรู้สึกก็มีรู้รู้สึกไม่มีรู้อยู่โดดๆมันมีแต่ว่าอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ฉังนั้นการจะทำการละเนี่ยถ้าจะทำการละให้ดี หมายถึงว่ากาลรคือตายใช่ไหมถ้าจะทําให้ดีนั้นหมายถึงว่าถ้าหากเราเนี่ยผ่านการปฏิบัติมาแล้วก็ใช้โอกาสก่อนตายเนี่ยพิจารณาเพื่อปลงปล่อยชีวิตของเราพิจารณาเห็นเลยว่าชีวิตนี้กําลังจะจากทุกสิ่งโลกนี้ไม่มีความแน่นอนเลยสุขทุกข์เป็นของไม่ได้จีรังอะไรเลยพิจารณาให้ใจปล่อยวางไปเลยนั่นคือการกระทําที่พิเศษ เมื่อเกิดการพิจารณาเพื่อปล่อยวางบางคนอาจจะได้ลักษณะทั้งอารมณ์ทั้งวิถีพิจารณาเนี่ยอาจจะหลุดพ้นก่อนตายเลยก็ได้ hmm. อันนี้คือการกระทาที่พิเศษนะไม่ต้องไปแช่รู้อยู่กับอะไรซึ่งบางบุคคลไม่มีอะไรซับซ้อนนะต้องการที่จะตายอย่างสงบตายอย่างไม่กังวลอาจจะประคองความจำใสของสมจัญญะให้มั่นคงด้วยการเกาะการหายใจไปเรื่อย จนกระทั่งสิ้นลมไปอันนี้เขาก็ทำแบบง่ายๆนะเพื่อที่จะให้จิตนั้นไม่สัดสายอันนี้คือการเกาะเฉยๆการเกาะเฉยๆแค่รักษาความไม่สัดสสายเท่านั้นเองคาถามท่านเดิมครับแล้วถ้าอยู่กับรู้จนการะจะทำให้เราหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกได้หรือไม่เจ้าค่ะอยู่กับรู้นะมันจริงๆตัวรูโดด้โดดก็ไม่มีนั่นแหละนะก็คือ ต้องอยู่กับคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแจ่มใสก่อนการที่จะทำการตายลงไปคำว่าแจ่มใสก็ไม่ได้ไหมายถึงว่าจะมีการตายที่ดีคันว่าตายแล้วดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ว่าระดับภูมิของจิตเนี่ยสูงถึงระดับไหนบางคนรู้ก่อนตายบนระดับภูมิจิตของมนุษย์ธรรมดาก็ตายก็ยังเกิดเป็นมนุษย์ บุคคลรู้จ่มใสก่อนตายในระดับภูมิจิตของเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาบุคคลรู้จ่มใสก่อนตายในระดับภูมิจิตของพมตายไปก็เป็นพมไม่ใช่ว่ารู้อย่างเดียวจะไม่จิตเป็นไปในภูมิที่สูงส่งเพราะการรู้อย่างเดียวนั้นการไปสู่ภูมิต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพราะมีตัวรู้มันเป็นไปเพราะว่าระดับภูมิของจิตคนนั้นณที่ก่อนตายเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนดังนั้นการ เป็นผู้มีความรู้แจ่มใสในระดับความแจ่มใสต้องดูว่าแจ่มใสอยู่กับเรื่องอะไรถ้าแจ่มใสอยู่กับกระแสอันเป็นกุศลอ่อนโยนสะอาดเนี้ยการตายอย่างนั้นเป็นการตายที่สงบล่มเย็นถ้าแจ่มใสอ ย, อยู่การแช่เฉยแล้วเฉยเฉยการตายก็คือเฉยเฉยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรคำถามต่อมาท่านเดิมครับการเห็นเกิดจับจากการนั่งสมาธิ โดยเมื่อนั่งทำอนาปานสติเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นวิ ญ, ญญาณดับจากลมไปเกิดที่สังขารขันเมื่อดึงกลับมาที่ลมก็เห็นว่าวิ ญ, ญญาณดับไปจากสังขารขันมาเกิดที่ลมการที่เราจะกล่าวว่าเป็นการเห็นเกิดดับของแต่ละขันถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะถ้าไม่ถูกต้องขอความเมตตาอธิบายวิธีเห็นเกิดดับที่ถูกต้องด้วยเจ้าค่ะ การเห็นเกิดดับแบบนี้ก็ถูกต้องและจริงๆเกิดดับมันไม่ได้ลึกหรอกเพราะทุกสิ่งเกิดดับอยู่แล้วทุกสิ่งเกิดดับอยู่แล้วการเห็นว่ามีธรรมชาติว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยเขาให้เห็นตามประกอบเห็นจนกระทั่งเกิดความเข้าใจได้เลยว่าอ ม, มันไม่ใช่เรามันไม่ได้มีเราอยู่ในระบบชีวิตนะเป็นละเรื่องกลไกลของธรรมชาติล้วน เมื่อเข้าถึงความรู้ในระดับนี้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าการตามเห็นความเกิดดับของเราเนี่ยมันได้สร้างความรู้ในเรื่องความว่างจากตนขึ้นมาได้สําเร็จเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปตามดูความเกิดดับแล้วเพราะรู้แล้วว่าไม่มีเราในขันห้าและขันห้าไม่ใช่เราและเมื่อรู้ว่ามันเกิดดับถึงแม้รู้แล้วมันก็ยังเกิดดับของมันตามเดิมปกติ หรือเมื่อยังไม่รู้มันก็เกิดดับของมันตามเดิมปกติไปหยุดมันไม่ได้หรอกดังนั้นพระเจ้าแก้ให้ไปตามดูความเกิดดับเพื่อให้รู้ว่าระบบชีวิตที่มันทำงานอยู่เนี่ยเมื่อมันทรงตัวบนการเกิดดับอย่างนั้นน่ะนนั้นถ้าดูให้จริงก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ถ้าเห็นในส่วนนี้เมื่อไหร่ด้หมายถึงการดูความเกิดดับนั้นถูกต้อง นั้นการตามดูการเกิดดับของขันเนี่ยไม่ได้ดูว่าให้เห็นความเกิดดับของขันแต่ดูให้เห็นความเกิดดับของขันเพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งเข้าใจได้ในที่สุดว่าขันทั้ง5้าที่เกิดดับเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยมันเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆเลยนั้นการตามดูความเกิดดับของขันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความเกิดดับ แต่ดูให้เห็นความเกิดดับเพื่อให้เข้าถึงความรู้เรื่องความว่าง<ม>จากเราถ้าถึงความรู้นี้ได้สําเร็จ<ม>ก็คือไม่ต้องไปดูมันแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราความเห็นผิดในทางว่ามีเราก็ถูกทําลายไปแล้วและถึงดูเมื่อไหร่ก็เห็นเกิดดับอยู่ดีไปดูมันทําไมก็ต้องก้าวต่อไปครั้งแรกรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันยังไม่เบื่อขันต่อมาให้มองลึกไปว่าชีวิตที่เกิดดับสิ่งทั้งปวงที่เกิดดับเนี่ย มันมีโทษอะไรมันมีภัยอะไรมันน่าเบื่อหน่ายอย่างไรเหมือนขันห้าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยพิจารณาให้ถอนความยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเรานี่คือขั้นที่หนึ่งต่อมาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณ คังแรกพิจารณาให้เข้าใจไม่ได้ให้เบื่อนายพอเข้าใจแล้วพบมันไม่ใช่เราเลยหนอเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยยังไม่เบื่อจะเบื่อต้องพิจารณาอีกจังหวะหนึ่งคือดูว่ามีโทษอะไรนะจึงพิจารณาจนให้เกิดความรู้สึกเบื่อได้เลยเบื่อเจ้ารูปขันเบื่อเวทนาขันอันนี้คือการพิจารณาอีกแบบหนึง่งนั้นการตามดูขันแบบนี้ที่ทําอยู่ก็ถูก นะแต่ตามดูเนี่ยต้องรู้ว่าตามดูเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อให้รู้ว่าเห็นมันสลับกระโดดไปเงี้ยเห็นสนุกกับการเห็นอยู่แค่เนี้ยก็ อ, อยู่แค่นี้แหละดูไม่จบหรอกเพราะมันเกิดดับไม่จบหรอกทั้งชีวิตนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่จะเลิกดู <c oughs> เขาดูมันต้องมีที่จบดูมันต้องมีเป้าหมายว่าดูทำไมนะไม่งั้นไม่ให้ดูหรอก นะดูเพื่อให้เข้าถึงคำตอบให้สำเร็จว่ามันไม่ใช่เราอย่างไรนั่นคือจบการดูแล้วก็ไปดูในมุมใหม่ทีนี้เริ่มดูว่ามันมีโทษภัยอะไรจิตก็จะเริ่มกั่นความจางคลายละทีนี้สูงขึ้นคำถามสุดท้ายท่านเดินท่านเดิมครับอาจารย์ถ้าต้องการพ้นทุกจากการอยู่กับโปรมหมายใจจะเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะการอยู่กับลมหายใจทาให้เราเนี่ย ละการสนใจต่อสิ่งกระทบทั้งปวงภายนอกตรงนั้นแค่ทําให้สงบใจถ้าการอยู่กับลรหมายใจได้แนบแน่นก็คือทําให้เกิดความตั้งมั่นหรือสมาธิเกิดสมาธิก็คือทําให้สงบใจคําว่าสงบใจก็คือมีปกติที่ใจยังไม่เดือดร้อนวุ่นวายมันไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะยังสงบใจอยู่แต่มันไม่หมายถึงว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง พ้นทุกข์มันแค่ว่าได้สงบใจกับการอยู่กับลมถ้าอยากพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าในทางศาสนาต้องดูว่าพ้นทุกข์ในเขตระดับไหนพ้นทุกข์ในเขตไม่เกิดตายถ้าไม่เกิดตายเนี่ยอยู่กับลมอย่างเดียวไม่พอจะต้องเป็นเรื่องทำลายราคะโทสะโมหะอย่างนี้ต้องไปเกี่ยวพันถึงวิปัสสนาอยู่กับลมอย่างเดียวไม่พอถ้าพ้นทุกข์ด้านใจเนี่ย ไม่เดือดร้อนกวนกวายตอนนั่งสงบอยู่ไม่เดือดร้อนหรอกแต่ตอนออกมาใช้ชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาอยู่ดี mm hmm. เมื่อเจอปัญหาถ้ากระแสสมาธิยังนิ่งอยู่ความรู้สึกของใจที่กระเพื่อมก็จะยังไม่มากแต่ปัญหาก็ยังต้องแก้อยู่ดีอยู่ที่ตรงนั้นนั้นสมาธิไม่ได้ทำให้ตนเนี่ยหมดทุกข์จริงๆแค่ทาให้สงบใจและสมาธิไม่ได้ทาให้หมดปัญหาในโลก ใช้อยังไม่ออกจากโลกจริงๆเมื่อเจอปัญหาปัญหาทําให้เราต้องคิดปัญหาทําให้เราต้องรู้สึกถ้ามีสมาธิอยู่ความรู้สึกอาจจะยังอยู่ในควบคุมสมาธิทําให้ปัญหาเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่แรงแต่ก็คือปัญหาสําหรับจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าจะไม่ทุกข์ทางใจจริงๆหมายถึง1กลิ่นอายของความเข้าใจโลกสูงมากกลิ่นอายของการปล่อยวางสูงมาก กลิ่นอายของความนิ่งสูงมากกลิ่นอายความสะอาดอ่อนโยนสูงมากกลิ่นอายที่สูงมากอย่างเนี้ยเจอปัญหามากมายก็ยังนิ่งอยู่อ่อนโยนอยู่จิตจะไม่ทุกข์แต่ท่ามกลางปัญหาหลากหลายแต่สมาธิอย่างเดียวจริงๆไม่พอหรอกถ้าเจอแรงแรงเข้าไปทีทีที ท, ทสมาธิหายหมดหนีก็จะกระเจิงหมดมันไม่พอมันเป็นการกดอัดไม่ใช่คลายมันออก จากความเข้าใจนั้นสมาธิหรือการดูลมเฉยๆเนี่ยเป็นไปได้แค่ให้ใจสงบไม่พอจะทำให้ดับทุกข์โดยแท้จริงแต่แค่ทำให้สงบใจได้ระดับหนึ่งสบายใจได้ระดับหนึ่งหมดแล้วเนาะ